พระธรรมเทศนาแผ่นที่71ดลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุส โ, โกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่19กันยายน2557มีชื่อเรื่องว่าน้อมบูชาหลวงตาแตงอ่อนขณะที่ฟังธรรม ถ้าผู้ใดถ่ายภาพถ้ามีแสงแฟดให้งดในการถ่ายไว้ก่อนในเมื่อแสดงธรรมจบแล้วจะถ่ายค่อยถ่ายได้เพราะว่าการถ่ายขณะที่หลวงพ่อแสดงธรรมทาให้เสียสมาธิในการพูดในการแสดงธรรม เพระนั้นหลวงพ่อเองขอให้คณะทศไทยญาติโยมทุกท่านในขณะที่หลวงพ่อกําลังแสดงธรรมขอให้งดกันในการไซแฟัและก็พร้อมกันขณะที่หลวงพ่อกําลังแสดงธรรมถ้าผู้อยู่ใกล้หลวงพ่อถ้ามีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นก็ในขณะที่ฟังธรรมน่าจะปิดโทรศัพท์ไว้ก่อน ถ้าหากว่ามีโทรศัพท์ดังขึ้นถ้าหากว่ามีธุรที่จะต้องคุยกันก็ออกไปคุยกันข้างนอกไม่น่าจะมาคุยกันตรงที่หลวงพ่อกําลังแสดงธรรมเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่ตรงที่คุยโทรศัพท์เป็นตรงที่ฟังเทศพระขอประกาศแล้วขอบอกกล่าวให้กับพระนักทาญาติโยมลูกหลานทุกคน เพราะว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ฟังธรรมพอเราไปนสถานที่ใดถ้าเราไม่รู้จักกาลเทศาการสถานที่บุคคลแล้วก็สถานที่หรือว่าไปในจุดนั้นจะไม่รับความราบพรื่นในการเข้าสู่ชุมชนและสังคมเพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะจัททายาตโยมทุกคนนะ วันนี้เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลปัญญาปัญญาสามวารครบ50วันสรีระสังขารหลวงตาแตงอ่อนกัญญาณธรรมโมอดีตประธานสงฆ์วัดกัญญากัญญาณธรรมโมและทอดภาพป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างมหาธาตุเจดีย์ ตามดัมริของหลวงตาแตงอ่อนกัญยาณธรรมโมณวัดกัญยาณธรรมโมบ้านสมสนุกตำบล น, นาซออำเภอวานนิวาสจังหวัดจุลนครในวันที่ 19.20 กันยายนพุทธศักราช2557วันนี้ คณะครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ตลอดถึงคณะสาัายาญาติโยมคณะกรรมการวัดได้ไป อ, อาละลาธนากราบหลวงพ่อมาเป็นองค์แสดงธรรมในวันครบรอบวันมรณะภาพขององค์หลวงตาของพวกเราหลวงพ่อจะได้มาจากวัดป่านาคำน้อยอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานี หลวงพ่อมาครั้งหนึ่งแล้วช่วงที่ส่งน้ำสรีระขององค์หลวงตาแต่มาเห็นแล้วก็จะได้เห็นแล้วก็คณะสงฆ์และคณะหมูพวกเพื่อนบอกว่าจะมีการประชุมหารือหรือทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างเจดีย์ขององค์หลวงตาของพวกเราหลวงพ่อมาวันนี้ก็เป็น การมาแสดงธรรมและกวันพรุ่งนี้ก็คงจะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมกับคณะสัตยายาติโจมพวกหมูเหล่าเพราะว่าเมื่อมาเมื่อคราวที่แล้วหลวงพ่อดูเจดีย์ขององค์หลวงตาเนี่ยดูข้างนอกก็รู้สึกว่าเสร็จเรียบร้อยกหลวงพ่อเห็นแล้วก็โอ้เป็นที่สบายใจเพรเห็นข้างนอก แต่พอเข้าไปข้างในยังไม่ได้ตกแต่งลูกพ่อโอคงจะใช้เงินมากพอสมควรเพราะว่าการตกแต่งภายในที่จะทำให้สมบูรณ์ก็คงจากในสในการก่อสร้างเพราะนั้นจึงขอประกาศให้คณะรัาร์ญาติโยมพวกทุกท่านพวกเราบางท่านอาจจะไม่ได้มาบ่อยคือว่าพวกเราได้มาในวันนี้แล้ว ก็ขออยากจะให้อยากจะให้พวกเราทุกทุกท่านช่วยกันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตาของพวกเราคนละมากคนละน้อยไม่ว่ากันเมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องประทับใจเมื่อสร้างเสร็จแล้วไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านและก็พร้อมกันข้างบนก็บนยอดพระเจดีย์ก็เป็น ที่ปฎิสถานพระบรมสารีริกธาตุอยู่ในองค์พระเจดีย์ก็เป็นที่บรรจุพระธาตุของครูบาอาจารย์ตลอดถึงรูปเหมือนครูบาอาจารย์ล้วนแล้วจะเป็นสิริเป็นมงคลสำหรับพวกเราท่านทัน้งหลายผู้ใดได้มากราบมาไหวมาแสดงความเคารพสักการะก็เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับพวกเรานานเท่านานเพราะนั้นขอประกาศ ให้คณะชทติา ญ, ญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าหนะ้าวันทุ่งนี้ฉันจังหารเสร็จแล้วก็คงจะร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีถึงจะมีมากปีน้อยก็ควรจะมีส่วนร่วมในการสร้างบุญหาโอกาสอย่างนี้หาได้ยากเพราะว่าเจดีนี่เป็นเจดีของหลวงตาหลวงตาของเราเป็นใครท่านบวชมานานเท่าไหร่เป็นสิทธิ์รุ่นสุดท้ายของหลวงปู่มั่นเป็น ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่ยอมรับในหมู่คณะสงฆ์เพราะนั้นพวกเราจะทำบุญอย่างนี้เนื้อนาบุญอย่างนี้หาได้ยากนะพี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะแล้ตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเข้าประเด็นจะแสดงธรรมนะนะที่นี่นะ นะโมตัสสะภควะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจัปูชนียานั่งกายวิยะยธรมมาสังฆารา อ ป, ปมาเดนะสัมปาเดธาติติวันนี้เป็นวันทมบุญครบห0สิบวันของหลวงตาแต่งอ่อนของพวกเราที่ท่านได้จากไปพวกเราท่านทั้งหลายในเมื่อหลวงตาของพวกเรายัางอยู่พวกเราก็ได้มากราบไหว้เคารพสักการะบูชา เป็นหลวงปู่หลวงตาของพวกเราแต่บัดนี้หลวงตาได้จากไปตาอายุสังขารแต่จะทำอย่างไงได้เพราะชีวิตของพวกเราไม่ว่าท่านผู้ใดไม่ว่าอยู่ในระดับไหนชีวิตของพวกเราเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ก็คือเป็นชัจธรรมหรือว่าเป็นของที่จริงจริงที่ยงแท้แน่นอน แต่ใดๆในโลกล้วนอนิจจังแต่ว่าความตายในเป็นนิจจ์เป็นของเที่ยงใครเกิดมาเท่าไหร่ตายเท่านั้นไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงหนีพ้นไปได้เพราะนั้นอย่างอื่นเป็นอนิจจ์แต่ว่าความตายในเป็นนิจจคือของเที่ยงเพราะนั้นพวกเราทุกท่านที่นั่งอยู่ด้วยกันเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนด้วยกันทั้งนั้น เพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทพระพุทธเจ้าของเราขนาดท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่ในเวียงวังได้รับความสุขขนาดไหนเพราะพันจวนเป็นพระเจ้าแผ่นดินออมีพร้อมครบหมดทุกอย่างแต่ขนาดนั้นพระ อ, องค์ยังได้เสียสละออกจากเวียงวังไปหาสแสวงหาทางค้นทุก ไปสแสวงหาทีฏฐ่าที่ว่าจะไม่ตายจะทํำยังไงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้ถ้าว่าพวกเราได้ศึกษาในพุทธประวัติของพระพุทธเจา้าพวกเราจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านหนึ่งพระพุทธองค์นี่ถ้าจะพูดแบบภาษาชาวบ้านกขาบอกพระพุทธเจ้าของเราติกลัวตายอย่างมากเพราะเหตุไรเพราะว่า พระพุทเจ้าของเราเมื่อประสูติขึ้นมาใหม่ได้เจ็ดวันพรามทั้งหลายก็มาทํานายทายทักว่าเมื่อครองราชเมื่อใหญ่ขึ้นมาจะได้ครองราชจะได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิถ้าหากว่าออกอวดจะได้เป็นศาสตาหรือศาสนาใหญ่ในโลกศาสนาหนึ่งเพราะนั้นเมื่อพระ อ, องค์ ใหญ่ขึ้นมาตามลำดับพระบิดาคือพระเจ้าจุดโทธนะจึงธนุขนอมไม่อยากจะให้พระพุทธองค์หนีออกไปบวชท่านอยากจะให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะว่าพระเจ้าจักรพรรดิคือพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ปกครองทั้งแผ่นดินใครๆก็อยากจะให้เป็นแต่นี้เพราะพระบิดามกยม้มั่นปั้นมืออยากจะให้ลูกชายของพระองค์ ของราชสมบัติเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิแต่เมื่ อ, อต่อมาเมื่อผู้ท่านเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเพราะพระพเจ้าของเราศีรถะของเราท่านก็ได้สวยราชพระเจ้าจุตโธธนะมอบราชสมบัติให้เมื่ออายุ16ปีจากนั้นก็ได้เข้ามงคลสมรสกับนางพิมพายโสธรา จากนั้นเมื่อพระองค์ก็เสวยราชสมบัติตามเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองราชจนถึงอายุ29ปีพระเจ้าจุดโททนะก็เห็นว่าน่าจะติดในโลกแล้วก็คงจะไม่ออกไปที่ไหนแล้วคำว่าบวชก็คงจะไม่มีแต่ว่าไม่มีใครที่จะมองเห็นพระไทย ของพระพุทธเจ้าคือสิทธัทธาอางนั้นวันหนึ่งสิทธัทธาของเราได้เสด็จออกไปเยี่ยมชมสวนอุทยานไปเห็นคนแก่เป็นอันดับแรกแต่ก่อนหน้านี้พระ อ, องค์ไม่เห็นเพราะเหตุไรเพราะว่าพระเจ้าสุทโทธทนะรักษาไม่ให้เห็นสิ่งที่ไม่สวยงามให้เห็นแต่สิ่งที่สวยงามเพราะฉะนั้น สิทธะจึงไม่เห็นของที่แปลกแต่วันนั้นพระเจ้าสุดโททนะเห็นว่าสิทธะในคลองราชมึถึงกะยเปีท่านคงจะติดอยู่ในโลกแล้วเพราะนางพิมพายโสธราก็ทรงคันแก่พร้อมที่จะคลอดบุตรออกมาเพราะนั้นพระเจ้าสุดโททนะจึงไม่ได้สนใจปล่อยให้เป็นตามตามธรรมชาติ จากนั้นสิทธัตถะของเราพระพุทธเจ้าของเร า, ร ท, า, เราท่านไปชมสวนไปเห็นคนแก่ผมงอกผมขาวฟันหลุดหนังเหี่ยวตา ฟ, าฟ้าฟางหลังค่อมได้ใช้ไม้ท้าพระพุ ท, ทธเจ้าไม่เคยเห็นเลยสิทธัตถะไม่เคยเห็นเลยอย่างนี้เป็นใครทำไมเพราะเหตุใดเขาจึงเป็นอย่างนี้เป็นอันนี้เป็นอะไร น, น, นายชนะที่เป็นนายสารถีคนผู้เป็นผู้ขับรถม้าได้ทูลสิทธถาว่าอันนี้คือคนแก่พระเจ้าค่ะสิทธาก็าถามว่านี้เราจะแก่ไหมนายศิทธาบอกว่าแก่ไม่มีใครท่านไม่ตายง่ายก็ต้องแก่ทุกคนเพราะพระพองค์เกิดความสรุปสังเวชใจอย่างมากเพราะพระองค์ไม่เคยเห็นเลยว่า น, นี้คือแก่จากนั้นพระองค์ก็ได้ให้กลับเอาม้า รถมากลับมาเวียงหวังพอกลับมาแล้วท่านก็ได้มาทบทวนในในพระไทยขององค์ว่าคนเราเกิดมาแล้วแก่อย่างนี้ะจะหาความสุขได้อย่างไรถ้าเราแก่อย่างนี้หละดูซิหลังค่อมเดินก็ไม่สะดวกได้สใส่ไม่เท้าค้ำอยางลักษณะฝ้าฟังแล้วก็ฟันไม่มีอีกต่างหากหนังเหี่ยว เ, เป็นคนแก่ดูดูแล้ว ไม่ น, น่าสีวิไลในการเป็นอยู่อย่างนี้จากนั้นพระองค์ก็นั่งค้นคิดอยู่หลายวันจากนั้นก็เอาพาช น, นะออกไปชมสวนอีกอยางนี้เขาเขาต่อไปเขาวนี้ไปเห็นคนเจ็บเอ่อชักติ้นชักกออยู่ที่เปที่เขาหามผ่านต่อหน้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าสิทธัตถะก็ถามว่าอันนั้นคืออะไรช น, นะเขาเป็นอะไรอันนั้นคือคนเจ็บพระเจ้าค่ะเอา้าทําไมคนจึงเจ็บ คนที่จะเจ็บไข้มีทุกคนพระเจ้าค่ะแต่จะมีโอกาสว่าวันไหนท่านผู้ใดเวลาใดเท่านั้นเองโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยมีตอนนั้นพระองค์ก็ให้ในายชนะกับรถอีกอามากับมาพิจารณามาไข้ควรทำยังไงจะหาความสุขได้อย่างไรเมื่อคนเราอาการเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขนาดนี้จากนั้นพระองค์ก็ วันต่อไม้ต่อมอีกพอหลายวันพอสมควรพระองค์ก็เสด็จจะไปชมสวนอีกอย่างเก่าไปคราวนั้นไปเห็นคนตายเขาเอาผ้าขาวหอ่อแล้วก็เอาใส่เตียงหามผ่านหน้าเรีว่าถามชนะนั้นคืออะไรเขาทำอะไรอันนั้นคือคนตายพระเจ้าค่าอ้าวทาไมคนจึงตายในชนะก็บอกว่าคนทุกคนเรานี่ เกิดมาแล้วไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้ต้องตายทุกคนแล้ท่านก็ถามว่าเรานี่จะตายเป็นไหมเป็นถ้าพระองค์ก็จะต้องจากไปเหมือนกันเหมือนกับพระปู่ย่าตายายของพระองค์ก็ได้ล้มหายตายจากไปหมดแล้วไล่เลียงกันลงมาตามลําดับลําดับยิ่งได้ยินอย่างนี้พระองค์ก็ยิ่งสลดสังเวชใจให้หันรถกลับมาอีก ก็นั่งมานั่งคิดมาพิจารณาอยู่ตามลาพังก็หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคิดยังไงเห็นคนแก่แล้วก็เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายจากนั้นพระองค์ก็เดินออกวันที่ครั้งที่4ชวนนายสันณะไปอีกไปชไปมไปชมสวนอุทยานไปพักผ่อนในสวนอุทยานพอไปคราวนี้ไปเห็นส ม, มณนคือนักบวช นั่งอยู่ที่โคลนต้นไม้นั่งขัดสมาธิเออจากนั้นก็สำรวมเตัวของท่านคือคล้ายๆก็เป็นผู้นั่งค้นคิดอยากจะรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในการนั่งของสมณะท่านนั้นสิทธัตถะเห็นแล้วเออสมณะท่านนี้ท่านท่านนั่งเออคุ้นคิดหรือว่าค้นคิดหาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถ้าหากว่าเรามานั่งอย่างสัมมนท่านนี้คงจะมีโอกาสที่จะหาช่องทางได้แต่ถ้าเราอยู่ในเวียงวงังมีแต่บริหารจัดการเรื่องประเทศชาติของตัวเองเพื่อกปกป้องประเทศชาติหรือว่าการบริหารทำมาค้าขายเลี้ยงชีพของประชาชนเราคงไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะค้นคิด จะหาทางออกไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคงจะไม่มีทางนี่แหละอันนี้ก็คือตัดสินใจที่จะหนีออกจากเวียงหวังจากนั้นพอผ่านไปแล้วก็ไปพักที่สวนอุทยานพอตอนเย็นก็กลับเวียงหวังพอกลับมาก็ทราบว่านางพิมพ์พายโสธราประสูตพธาราหุ่นก็มีคนมาให้ข่าวว่านางพิมพายโสธรา พะระอครมเหสเีได้ประสูตรพระโอรสแล้วแต่นี้จิตธัตถาพอได้ยินอย่างนั้นพระองค์ก็นึกน้อมเลยว่าโอ้ที่เราเจะออกไปนั่งค้นคิดหาสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่สิ่งที่ผูกพันกับเราเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่ผูกพันเกิดมากับเราแล้วเพราะนั้น ราหูนี่จะราหูนะแปลว่าเครื่องผูกพันเครื่องผูกพันเกิดขึ้นกับเราแล้วจากนั้นพระองค์ได้กลับมาเข้ามาในเวียงหวังจากนั้นพระองค์ได้ตัดสินพระไทยถ้าขืนอยู่ต่อไปก็คงจะเครื่องผูกพันก็คงจะพันธนาการหนักหนาหนักแน่นเข้าไปเรื่อยๆจากนั้นพระองค์จะได้ตัดสินพระไทยบอกกับนายฉันนะว่าคืนนี้ประมาณเที่ยงคืน ให้เตรียมมาเอาไว้นี่แหละคือพระพุทธองค์หนีออกไปบวชจากนั้นพระองค์ก็ได้นัดกนายชนะได้ขึ้นม้าขันตะกะออกจากเวียงวังเวลาเที่ยงคืนจากนั้นพระองค์ก็ได้ไปกนายชนะไปเดินนั่งม้าไปจนถึงฝั่งแม่น้ำอโนมานทีจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงพนวด คือบวชเป็นนักบวชท่านหนึ่งแต่ข่าวนั้นก็ยังไม่ไม่ใช่บอกเป็นพุท ธ, ธะหรืเป็นอะไรก็เป็นนักบวชจากนั้นพระองค์ก็อยู่ตามลําพังก็ปล่อยให้ชนะนําม้ากลับเด็บมา้าแสนรู้พ้นพระเนตรของพระองค์ท่านนั้นอนะ่ะมา้าตัวนั้นก็ว่าใจแตกสลายตายนายชนะองค์ได้แต่เครื่องทรงของสิท ธ, ธัตถะ กลับมาเวียงวังจากนั้นพระองค์ก็อยู่ตามลำพังบำเพนอยู่ถึงห6ปีลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดลองผิดลองถูกบำเพนอยู่6ปีวันสูตรที่สำเร็จนนี้หลวงพ่อจะไม่ได้พูดถึงว่าในช่วงที่ทดลองดูนั้นท่านทำอะไรบ้างในพุทธประวัติแล้วท่านมาอดประกยอาหารถึง49วันอันนั้นคือท่านทรมานร่างกายของพระองค์ท่าน แต่พระ อ, องค์ก็กไม่ใช่หนทางจากนั้นท่านก็ได้ไปศึกษากับดาบทดาลาดาบทพุทธกะดาบทที่อยู่ในละแวกนั้นท่านก็ได้ศึกษาเหมันกันท่านก็บอกว่าไม่ใช่ทางจากนั้นพระ อ, องค์ก็กลับมาบําเพ็ญด้วยพระ อ, องค์เองจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้บําเพ็ญ น, นั่ง ส, สมาธิพวกเราท่านทั้งหลายขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังว่ากรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้ พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นท่านทำอย่างไรในวันเดือนหกเพนวันนั้นพระองค์นั่งอยู่ตามลำพังนายโสธยะไปเกี่ยวหญ้าแล้วก็ได้หญ้าคาแปะกามือเดินผ่านมาเห็นสิตธานั่งอยู่ตามลำพังนายโสธยะได้นาหญ้าคาเข้าไปถวาย เพราะว่าเห็นว่า น, นั่งอยู่ตามลําพังคงจะไม่สบายเพราะเหตุใดเพราะว่ารากโพที่โผล่ขึ้นมาพวกเราก็คงจะเห็นโผล่ที่โรยมากรากแก้วรากฝอยมันจะโผล่ขึ้นมาจากแผ่นดินนั่งไม่สบายสิท ธ, ธิษฐ์เอกนายโสธิยะเห็นพระสิทธิษฐ์นั่งอยู่ตามลําพังก็ได้นํายาคาเข้าไปมอบให้ จากนั้นศิทักษะก็ได้ย่าขา8ปดกำมื อ, อคงจะสลับหัวสลับหางเป็นอาสนะจากนั้นพระ อ, องค์าหามุมคือมุมทางทิศตะวันออกจากนั้นพระ อ, องค์ก็ปูย่าขา8ปดกำมือจากนั้นพระ อ, องค์ก็ขึ้นไปนั่งนั่งที่ย่าขานั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรง ดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้ขอให้พวกเราทุกๆท่านนี่แหละคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิา น, นั้นท่านทำอย่างไรนี่แหละท่านนั่งขัดสมาธิหันพระพักไปทางทิศตะวันออก ทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจมีสติสัมปชัญญะจากนั้นพรไทไัยใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตรวมพอจิตใจไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตจิตใจอยู่ในปัจจุบันอยู่ที่กำหนดที่ปลายจมูกพระ อ, องค์ใจพัพทยัทยของพระ อ, องค์รวมสงบพอรวมสงบลงเป็นหนึ่ง เกิดยานัทจนะเกิดฌานลำลึกชาติผลหลังได้ปุกเพเนวาสานุจติยานละลึกชาติผลหลังได้นี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายในหลักคําคคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดอีกทำไมสิ่งที่ไหนที่ทำให้เกิดเพราะว่าทางว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวพระพุทธองค์จะละลึกชาติผลหลังได้อย่างไร นี่แหละปุเพนิวาสานุจติยาละระลึกชาติผลหลังได้เพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านให้ฟังแล้วก็ให้ศึกษาและจากนั้นก็ให้ปฏิบัติตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินท่านทำอย่างไรท่านจึงจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญตายแล้วเกิดท่านทำอย่างไรท่านนั่งกัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทากายให้ตรง ดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละให้พวกเราปฏิบัติอย่างนี้ในเมื่อปฏิบัติอย่างนี้เราไม่คิดถึงอดีตอนาคตใจของเราจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งจันทร์ลึกจากนั้นม า, เ, าเราจะระลึกชาติผลหลังได้อันนี้คือเป็นวิสัยพิสัยของพุทธะ จากนั้นพระองค์ระลึกชาติชาติที่แล้วค่าเป็นอะไรมาจากไหนพระองค์รู้หมดอดีตชาติของพระองค์ยาวเหยียดเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายมาที่นี่วันนี้มาจากไหนแต่และคนต้องมีที่ไปที่มาด้วยกันทั้งหมดที่มานั่นคืออดีตเ อ, อมานั่งอยู่นี่นคือปัจจุบันเรามาจากไหนวันๆเราอยู่ที่ไห น, ว, น, ไหนวันก่อนเราอยู่ที่ไหนเดือนก่อนปีก่อนเราอยู่ที่ไหน เห็นละชาติก่อนเพราะพุทธเจ้าระลึกข้ามชาติชาติก่อนเรามาจากไหนนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านรู้ทั้งหมดเพราะฉนั้นขอให้พวกเราคณะสัตย า, าติโยมพวกทุกท่านนะอันนี้คื อ, คอพุทธศาสานาท่านท่านบอกว่าในหลักธรรมคาสอนท่านบอกว่าปุปเพนิวะสารุจติญาณระลึกชาติผลหลังได้พอถึงเที่ยงคืนจูโตปปาตยาน การเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาเกิดเนี่ยท่านมองคนอื่นพอที่แรกท่านตอนหัวค่าท่านมองท่านแต่พอถึงเที่ยงคืนท่านมองสรรพสัตว์ ท, ทั้งหลายแต่ละคนแต่ท่านแต่ละคนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมานั่งอยู่ด้วยกันในเต็มศาลาอยู่แห่งนี้พระพุทธองค์รู้ว่าอยากจะรู้ท่านผู้ใดดวงวิญญาณของแต่ละคน มาจากไหนมาเกิดที่นี่ทำไมรูปร่างกายตัวยังไม่เหมือนกันความสติปัญญาก็ต่างกันความร่ำรวยมั่งมีสีสุขก็ต่างกันความผิดปกติของร่างกายอวั ย, ยวะบางทีหูหลวกตาบอด ก, ก็มีต่างกันอีกต่างหากเพราะนั้นทำไมเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันทำไมไม่เหมือนกัน พระพุทธ้องค์ท่านบอกว่าท่านดูแต่ละคนว่ากรรมกรรมคือการกระทำถ้าว่าผู้ใดทากรรมดีำกรรมดีจะให้ผลก็เป็นคนนั้นจะเป็นคนดีมีความสุขร่ำรวยเพราะบุ ญ, บญกุศลให้ผลคนนั้นจะมีแต่ความสุขปารถนาสิ่งใดสมความมุ่งมา่ปรารถนาเพราะละเพราะเขาทากรรมดีถ้าคนไหนทากรรมชั่วทำกรรมที่ไม่ดี กรรมชั่วจะให้ผลเขาเหล่านั้นจะเป็นผู้ไม่สมบูรณ์เดือดร้อนในการเป็นอยู่ในภพภูมิต่อไปเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสเป็นพระคาถาว่าอากคตังลุ ก, กตังเสยโยปัชฌะปตปฏิทุ ก, กตังกรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลักอันนี้คือพระพุทธองค์ท่าน ดูแล้วว่าพวกเราท่านทั้งหลายเป็นมาด้วยกรรมเป็นไปด้วยกรรมเพราะฉะนั้นอย่าคิดทํากรรมชั่วถ้าทากรรมชั่วกรรมชั่วให้ผลพวกเราจะเดือดร้อนต่อไปภายภาคหน้าอันนี้ก็คือถึงเที่ยงคือพอถึงจวนสว่างพระพองค์ก็ได้จัดสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาท่านได้พิจารณาดูพระ อ, องค์ดุบะไทยขององค์มาจากไหนทําไมจึงมาอยู่ที่นี่ แล้ววิญญาณของข้าเนี่ยมาจากไหนเกิดมาจากไหนพระพุทธองค์ก็ย้อนไปดูย้อนไปดูจึงรู้ดูว่าพทไทยของพระองค์เนี่ยมาจากตัวอวิชชาอาวิชชาปัจจะยาสั้งฆราสัาร า, า, ราปัจจยาวิญญาณนะั้ให้เข้าวใจของเรามาจากตัวไม่รู้มาเกิดจากนั้นพระองค์ก็ใช้ตประธรรมคือสินสมาธิปัญญามรักแปร เป็นผู้ค้นคว้าศึกษาซักฟอกเผากิเลสในพระไทยของพระองค์คือมักแปะจากนั้นพระองค์ก็ได้ตัดสรุปพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพพระองค์จึงตรัสว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราเราจะไม่เกิดอีกแล้วเพราะสิ่งที่จะให้เกิดนั้นเรากําจัดออกจากพระไทยออกจากใจของเราแล้ว กิเลสราคาโสะโมหะที่จะรับทำให้เกิดนั้นเรากำจัดออกหมดแล้ว ม, มีแต่ความบริสุทธิ์ในพระทยของเราเพราะนั้นเราจะไม่เกิดอีกเป็นอนันตกาศอันนี้ก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็คือพุทธประวัติที่เล่าไเรลีงให้กับพวกเราท่านทั้งหลายสรุปแล้วคือ พ, พระพุทธองค์เห็นคนแก่คนเจ็บแล้วก็เห็นตาคนตาย และก็เห็นสมณะจากนั้นพระองค์ก <ä h. S 1> ็ได้ ah. หนีออกจากเวียงวังออกมาประพฤติปฏิบัติธรรมจากนั้นพระองค์ก็ได้ตัดรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาจากนั้นเมื่อพระองค์ได้ตัดรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาแล้วพระองค์ก็ได้นําพระธรรมคําสอนที่พระองค์ได้ตัดรู้หรือว่าได้รับธรรมได้ตัดสู้นั้นนําพระธรรมคําสอน ออกมาประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายเพื่อให้ได้เรียนรู้พระองค์ก็ได้ประกาศพระธรรม 84%,00 มพันพระธรร ม, มขันในยุคนั้นจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายมาเป็นยุคเป็นสมัยจากวันนั้นถึงวันนี้ก็เป็นเวลา2557ันห้าอปีให้หลังที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน แต่ทางนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อเองอยากจะยกแนวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราคือหลวงปู่มั่นเป็นอาจารย์ของหลวงตาแตงอ่อนของพวกเราเป็นอาจารย์ของหลวงตามหาปัวเป็นหลวงตาของหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟัดหลวงปู่เทศหลวงปู่แหวนแปลว่าครูบาอาจารย์รุ่นยุคสมัยปัจจุบันที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาเป็นอาจารย์ของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเป็นผู้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวคณะศิษยานุสิ์ขององค์ท่านเพราะฉะนั้นองค์หลวงปู่ขาวเป็นคนพูดน้อยอไม่ค่อยพูดแต่องค์หลวงปู่มั่นเป็นผู้มีสติปัญญา เ, เสียแหลมเป็นผู้แนะนําสั่งสอนคณะสงฆ์คณะศิษย์แต่สมัยนั้น การค ม, มนาคมหรือการเป็นอยู่ของหลวงปู่มั่นท่านก็ไม่ได้แนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนโดยมากท่านจะสั่งสอนพระสงฆ์ที่เข้าไปศึกษาในปฏิปท า, าแล้แนวแนวแนวความคิดของท่านท่านจะเน้นหนักเรื่องพระภิกษุที่เข้าไปบวชกับองค์ท่านเพราะนั้นในเมื่อพระสงฆ์ทั้งหลายในเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงปู่มั่น ก็เป็นพี่ซึ้งใจาจากนั้นก็นํามาประพฤติปฏิบัติก็ได้รับผลทวนหน้าทวนหน้ากันแต่พวกเราท่านทั้งหลายทีห่หลวงพ่อได้เน้นหนักเรื่องหลวงปู่มั่นคือหลวงปู่มั่นของพวกเราเนี่ยในเมื่อท่านเป็นพร ะ, ะต้นตระกูลของพระกรรมฐานแต่ท่านก็ได้แนะนําสั่งสอนครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านบาอกว่า ถ้าหากว่าเราภาวนาอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ ต, ตดรัสรู้กําำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนั้นมันรู้สึกว่ามันมันจะหลุดได้ง่ายเอ่มันเผลอได้ง่ายเอมันหลงลืมได้ง่ายควรจะบริกรรมสำทับกับพุทโธด้วยนะอันนี้ก็คือหลวงปู่มั่นท่านสอนสิทธิ์ แต่ครูบาอาจารย์ท่านก็ยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งองหลวงตามาหาบวัวท่านสมัยก่อนท่านบอกว่าท่านเมื่อเรียนหนังสือจบแล้วท่านก็ภาวนาตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสรู้ผิดเป็นเพียงแต่กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกแต่มันหลุดไดงายพอมาถึงหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็บอกว่าให้ภาวนาดูสิ ให้กำหนดลมหายใจเข้าและก็ บ, บริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโถเพราะว่าจะอยู่ได้แนบแน่นกว่าเพราะว่าจะไม่เผลอไม่เผลอได้ง่ายจากนั้นองหลวงตาท่านก็ฟังองหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนลูกตาก็ปฏิบัติตามตามทมคำสอนขององหลวงปู่มัน่นท่านบอกว่าตั้งแต่วันนั้นมาใจของเราไม่เสือ่อม เพราะอะไรเพราะว่าสมาธิของเราดีมากแน่นหนามัน่นคงเพราะเรากําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องและก็ไม่ตักไม่ต้องตามลมออกมาข้างนอกให้เหมือนกับเรายือนอยู่ข้างประตูคนเข้ามาเราก็รู้คนออกไปเราก็รู้ เ, เนระกําหนดลมหายใจเข้าออ ไม่ต้องตามลมข้าไปในท้องและก็ไม่ต้องตามลมออกไปเพียงแต่ว่าเอาสติสัมปชัญญะอยู่ที่ปลายจมูกพอลมเข้าไปเราบริกรรมพุทธเวลาลมออกมาบริกรรมโทอย่างนี้แหละอันนี้ก็คือกรรมฐานของหลวงปู่มั่นหลวงปู่ท่านก็สอนอีกว่าถ้าหากว่ามันยังเผลอนี่ได้อยู่ให้บริกรรมพุทโถให้ถียิบพุทโถพุทโถพุทโถพุทโถพุทโถุทโถให้ถี่ ในเมื่อบริกรรมพุดโทรให้ถีแล้วจนไม่มีช่องว่างใจของเราก็จะเข้าสุขภาวะสู่ความสงบได้อันนี้ก็คือกรรมฐานที่องหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนสิทธิอนุสิทธิ์ของท่านแต่หลวงพ่อขอแนะนําอีกส่วนหนึ่งที่หลวงพ่อได้ภาวนาได้ปฏิบัติมาหลวงพ่อได้ผลหลวงพ่ออยากจะแนะนําพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมที่ฟังของหลวงพ่อไปทดลองดูนะเพราะว่ากรรมฐาน ที่พระพุทธเจ้ากำหนดไว้นั้นเอไม่ไม่ได้ตายตัวปีต่ตะวกรรมฐาน40เอ่อที่กาหนดจะจับจิตใจให้เข้าสู่ความสงบนั่นคือกรรมฐาน40อย่างหรือมากกว่านั้นเอ่อแต่หลวงพ่อนี่ขอแนะนำแนวความคิดหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเอ่อให้พวกเราท่านทั้งหลายนับหนึกเวลาภาวนาถ้าว่ากาหนดลมหายใจเข้าหายใจออก มันยังมีเผลอไปหรือว่าพุดโทพุดโธก็ยังเผลอไปให้พวกเรานับดูนะเพราะพวกเราเคยเคยชินต่อการนับเลขเนับหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับ3หายใจออกนับ4ี่ห้หกจนถึงร้อถ้าไม่เผลอแปลว่าสติของเราดีในนาทีกว่าได้หนึ่งนาทีกว่าแต่มันเผลอ มันโดยมากมันจะเผลอนะออถ้ามันเผลอมันเผล อ, อย่างไรให้สังเราสังเกตเวลาหายใจเข้า1หายใจออก2หายใจเข้า3หายใจออก4 5 6 7 8 9จดจนถึงร0 0ที่มันเผลอนะั่นคือหายใจเข้าเป็นเลขคี่หายใจออกเป็นเลขคู่เออคี่คู่คี่คู่คี่คู่ไปถึงร0อไม่เผลอแสดงว่าสติของเราดี แต่โดยมากมันจะเผลอนะเวลาหายใจเข้าเป็นเลขคี่หายจออกเป็นเลขคู่พอนับไปไม่ถึง10บละ่ะบางคนนะหายใจเข้าออเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขขี้มันสลับกันพอมันสลับกันแสดงแสด ง, แสดงว่าสติของเราขาดแล้วขาดในช่วงนั้นเรากลับใหม่กลับมากรร ม, มาบริกรรมใหม่เออมาย้อนมาใหม่นับหนึ่งใหม่ เอาโดยที่ให้ตั้งตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้นเองตั้งสติให้เข้มแข็งพอเรามีมีสติเข้มแข็งแล้วเทนี้มันจะไม่เผลอละเพราะมันไม่เผลอเข้ามาละเทนี้นั่นแหละเป็นว่าเป็นอันว่าสติของเราดีนะแต่ถ้าว่าเราตั้งยังไง่อยังเผลอเลยลืมลืมหลงได้ง่ายอันนั้นแปลว่าเราไม่น่าจะสบายใจน ะ, เ, ะเราไม่น่าไว้ใจเพราะว่า คนที่ขาดสติบ่อยๆสติมากๆบริกรรมเท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่ลืมเอาลืมหลงเอาลืมหลงเอาต่อไปจะเป็นอัลไซเมอร์ได้ง่ายๆเผลอๆจะเป็นคนขาดสติได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นการฝึกสติเป็นจริงสิ่งจําเป็นและสําคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับพระนรัตถาญาติโยมทุกๆท่านการฝึกขัดสตินเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับพวกเราไม่มีใครที่จะฝึกขัดสติยิ่งกว่า ไม่มีใครที่จะทำแทนเราได้คือบางสิ่งบางอย่างคนอื่นทำแทนเราได้นะแต่บางสิ่งบางอย่างเราทำคนอื่นทำแทนเราไม่ได้อย่างเรียนหนังสืออย่างเนี้ยคนอื่นเรียนหนังสือแทนเราได้ไหมไม่ได้ถ้าเราไม่เรียนเราก็ไม่รู้ทานอาหารแทนเราได้ไหมไม่ได้ออกกำลังกายแทนเราได้ไหมไม่ได้นี่แหละมีหลายๆอย่างที่พวกที่ออกแทนเราไม่ได้ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านให้ประกอบคุณงามความดีเข้าจูดตัวเองแต่ทีนี้มาพูดเกี่ยวกับการภาวนาของหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนำสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายท่านบอกว่าอันนี้คือสมมัตถิถะทีคือทำจิตใจให้สงบน่คือส ม, มัตถะและจะเดินวิปัสสนาเมื่อจิตใจของเราได้รับความสงบพอสมควร แล้วจะเดินวิปัสสนานั้นเดินอย่างไรนี่แหละสัมมาัศนและวิปัสสนาวิปัสสนาคือคือวิปัสสนึกนึกคิดค้นหาสิ่งที่มีเหตุผลถูกไมว่าอย่างหลวงปู่ภูบาอาจารย์ท่านบอกว่าไม่มีอันไหนที่จะยิ่งไปกว่าอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า เ, เมื่อเราบวชเข้ามาใหม่สมัมมาเนรก็ตามพระก็ตามท่านให พิจารณากรรมฐานหาเกสาโลมาเกสาผมโลมาข น, นาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังให้พิจารณากรรมฐานหานะว่าไม่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน เ, ออเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นอ น, นิจจังเป็นสิงไหนเป็นอ น, นิจจังส่งของไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราร่างกายดูพิจารณาสิพิจารณาดูผมสิ อีกสักวันหนึ่งต่อไปเมื่อเมื่อเป็นหนุ่มสาวกับผมดําต่อไปก็เป็นผมขาวต่อไปก็เห็นฟันหลุดต่อไปก็เห็นหนังเออเหี่ยวนี่แหละร่างกายของเราเป็นอย่างนี้นะเ อ, อเป็นของไม่เที่ยงนะอีกสักวันหนึ่งร่างกายของเราก็เหมือนกับหลงปู่เหมือนกับหลงตาของเราเนี่แหละเข้าไปนอนอยู่ในหีบในโลงอย่างนี้แหละพวกเราพวกทุ ก, ท, กท่านก็ไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้ หลวงตาเนี่เป็นตัวอย่างของพวกเราเป็นตัวอย่างพวกเราเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นเพราะนั้นหลวงตาของเราเนี่ยถึงท่านจะจากไปแต่ท่านจากไปแต่ร่างกายแต่วิญญาณและใจของท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมศีลธรรมเพราะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเ อ, เอาจิงเอาจังอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาหลวงตาของเรานี่พูดน้อยต่อยมาก คล้ายประวัติท่านพูดน้อยแต่การประพฤติปฏิบัติของท่านเอาจริงเอาจังเพราะฉะนั้นท่านมุ่งหวังท่านปฏิบัติเพื่อทางพ้นทุกของท่านพวกเราท่านทั้งหลายเห็นแต่ร่างกายของท่านแต่ใจของท่านนั้นพวกเรามองไม่เห็นแต่ทุกคนก็ยอมรับว่าในการปฏิบัติขององค์หลูกตาของเราลวงตาแตงอ่อนของพวกเราท่านปฏิบัติจริงจังและจริงใจ เราจนเชื่อมั่นว่าท่านเนี่ยเป็นพระอริยะบุคคลท่านหนึ่งเป็นที่ยอมรับของสิทธิอนุสิ์ทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนี่แหละคือพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านได้มาร่วมการทําบุญหรือมาสร้างบุญสร้างกุศลในคราวนี้ครั้งนี้ก็เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เพราะท่านเป็นเนื้อนาบุญ เป็นเนื้อนาบุญที่ดีเหมือนกับเนื้อนาที่ดีพวกเราหวานพืชลงไปเพียงเล็กน้อยเราก็ได้รับผลแต่ว่าพวกเราเทําบุญบางบางสิ่งบางอย่างบางแห่งนะเออเหมือนกับในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสไว้ว่าปฏิฆา6ทายกคือผู้ให้ปฏิฆา6คือผู้รับทายก ผู้ให้เหมือนกับเรามีมีเมล็ดข้าวอยู่ในมื อ, อปฏิฆาหกคือผู้รับคือเนื้อนาเนื้อนาเนื้อนาถ้าว่าข้าวดเีเมล็ดข้าวดีพันดีแล้วหวานลงไปในเนื้อนาที่ดีก็ได้ผลงอกงามงอกเกยเพราะเหตุใดเพราะว่าข้าวของเราอยู่ในมือของเราเนี่ย เ, เป็นข้าวที่ พันดีแล้วก็เมล็ดดีแล้วก็หวานลงเนื้อนาก็ลงุงนนาที่ดีก็ได้ผลเต็มที่แต่ถ้าว่าพวกเราได้ข้าวดีแต่เราไปหวานเข้าป่าป่าหญ้าแฝกหญ้าคา เ, เราก็ไม่ได้ผลได้ผลนิดหน่อยเพราะเหตุไรเพราะว่าเนื้อนาไม่ดีเราไม่ิกไม่ได้เตรียมเอาไว้แต่ถ้าว่าเนื้อนาดีแต่ว่าข้าวของเรา ไม่ดีพันุ์ไม่ดีเราไปหวานลงในเนื้อนาถึงทั้งที่เนื้อนาดีก็ได้รับผลดีกว่าที่เราหวานเข้าไปในย่าวป่ายา้าแฝกย่าขาอันนี้คือพระพุทธองค์ได้เปรียบเทียบ ว, ว่าเนื้อนาหรือว่าเมล็ดพืชพวกเราชาตทชาญาติโยมได้จตุปัจจัยได้มาด้วยความบริสุทธิไไ์ไม่ได้พ่นไม่ได้พดไม่ได้โกงไม่ได้ เบียดบางไคขหาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราอันนี้คือเงินบริสุทธิ์จะตุปปัจจัยที่บริสุทธิ์จากนั้นมาหวานในเนื้อนาคือพระอริยะบุคคลอย่างองค์หลวงตาแตงอ่อนของพวกเราท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพวกเราเอาด้วยน้ำพักน้ำแรงมาทําบุญกับชรีระของท่านหรือทําบุญเกี่ยวกับพระเจดีย์ของท่านบุญกุศลของเรา เต็มสุดวิสุทธิบริบูรณ์เพราะอะไรเพราะว่าเนื้อนาข้าวก็ดีเนื้อนาก็าดีแต่ถ้าว่าพวกเราได้เข้ารีบแล้วก็มาหว่าน เ, เม็ดตึงบ้างเม็ดรีบบ้างเ อ, เอามาหว่านลงในเนื้อนาให้ายกัว่าพวกเราไปคดไปกองไปปล้นไปทำข่าคนแล้วก็ม า, าได้ทรัพย์สมบัติเข้ามาทำบุญก็ได้อยู่ แต่ก็ไม่ได้มากแต่หากว่าพวกเราเได้เนื้อได้ข้าวดีแต่ว่าผู้อยู่ในทั้งในปฏิบัติตนไม่ดีไม่มีศีลธรรมเป็นพระก็ไม่ดีเป็นคนก็ไม่ดี เ, เป็นผู้ไร้ศีลธรรมถ้าเราไปทําบุญกับประเภทเช่นนั้นเหมือนกับเราหวานข้าวเข้าไปในหญ้าแฝกหญ้าคาดมหญ้าแฝกแฝกหญ้าคาบุญกุศลจะไม่ได้เต็มที่เพราะนั้น ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าท่านจึงบอกกล่าวให้กับพวกเราคณะรัท ธ, ธาญาติโยมพวกทุกท่านการเลือกให้พระสุคตทรงสรรเสริญเพราะฉะนั้นการที่จะทําบุญท่านว่าให้เลือกให้แต่ถึงยังไงก็ตามแต่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าแล้วท่านก็ยังบอกว่าถ้าหากว่าหาทิ้งที่ทําหาที่ไม่ทําบุญไม่ได้ขนาดเห็นพระ มีผ้าเหลืองน้อยห้อยที่หูก็ยังถือว่าเป็นพระในสมัยครั้งต่อไปในเมื่อศัพพุทธศาสนาจุดช่วยรวยแหลมก็ยังเป็นระลึกถึงบุญคุณในพุทธศาสนาก็ยังได้บุญอยู่ท่านว่ายอย่างนั้นแต่ถึงยังไงก็าตามถ้าพวกเราจะทำบุญพวกหลวงพ่อเองเนี่ยเลือกนะเลือกทำบุญอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้มาทำอย่างนี้แหละมาทำบุญกับหลวง ตาของพวกเราหลวงตาของพวกเราเป็นท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพวกเรามาหว่านพื้นดงในเนื้อนาที่ดีอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องตน้นมาร่วมกันสร้างพระั จ, จดีย์ถึงอย่มีมากมีน้อยก็ตามอัธยาศัยแต่ควรจะมีส่วนร่วมในการสร้างพระเจดีของหลวงตาของพวกเราเพราะหลวงตาของพวกเราท่านก็หมายมั่นปั้นมือท่านบอกว่าถ้าหากว่า เจดียังไม่แล้วเสร็จเน่ยจะพึ่งเผาเราเนอะท่านสั่งที่หลวงพ่อได้ยินนะหลวงพ่อก็ฟังแล้วก็สะดุดใจเหมือนกันถ้าว่าเราเจดียังไม่เสร็จจะพึ่งเผาเราถาาว่าเผาเราประชุมเพลิงเราแล้วเจดีจะละไม่แล้วเสร็จนะอันนี้ก็คือท่านสั่งลูกหลานท่านก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่ท่านห่วงเพื่ออะไรท่านเพื่อใครท่านเป็นห่วงท่านไม่ได้ห่วงเพื่อท่านนะ เมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้วกันนะเป็นที่กราบไหว้เคารพสักการะบูชาของพวกเรานานชั่วลูกชั่วหลานเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราวันพรุ่งนี้เนอะขอให้มาช่วยช่วยกันสร้างบุญสร้างกุศลกับองค์หลวงตาของพวกเราไม่ผิดหวังที่หลวงพ่อยืนยันว่าไม่ผิดหวังบุญกุศลที่พวกเราจะตั้งจิตอธิษฐานอะไระก็จะสมความมุ่งมาดปรารถนา แต่หลวงพ่อก็เคยพูดให้กับคณะสัายาติโจมนะมาในพระไตรปิฎกเหมือนกันนะนัยนั้นในพระไตรปิฎกบางคน เ, เห็นคนเขาสร้างพระเจดีย์ก็ไม่น่าจะทำมันสวยหรูหลาโออาสิ่นเงินเปืองเกินไปลักษณะอย่างนั้นนะแต่พ อ, อ, อผลสุดท้ายขึ้นมากำให้ผลนะกรรมคือการกระทำ ทางไทยถ้าใครทากรรมไม่ดีกรรมไม่ดีให้ผลตนเองจะเดือดร้อนนะสิอย่างมีพระองค์หนึ่งในครั้งพระพุทธเจ้าของเรามีพระท่านนี่ร่างกายเตี้ยตัวเล็กตัวเล็กๆ เ, เหมือนกับสัมมณีนแต่เป็นพระมหาเถระนะท่านเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จ พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีนะแต่กรุงสาวัตถีคือวัดป่าเชิตะวันมหาวิหารทนะีนี้พระเถระที่องค์ร่างร่างแรกเนี่ย เ, เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าในช่วงที่ที่พระองค์พระพุทธองค์เฉลิมพระกยฐ า, ารเช้าเสร็จแล้วพระเถระเนี่ยเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าด้วยภารกิจธุรกิจกราบคูพระพุทธเจ้าจากนั้นพระ เถระคนนี้ก็เห็นเห็นพระที่กําลังจะเข้ามาอีกเป็นกลุ่มใหญ่เเห็นกลุ่มใหญ่พระทั้งหมด30มสกว่ารูปจะมากราบพระพุทธเจ้าพระเถระผู้ใหญ่พระท่านอง์ล่างเล็กนี่ก็นั่งร่างเล็กนี่ก็ไปกราบพระพุทธเจ้าพอกาบลาพอกาบลาแล้วก็เดินสวนทางลงไปพอเดินเดินสวนทางลงไปพระ ที่เดินสวนทางขึ้นมาจากกราบพระพุทธเจ้าตั้ง30กว่ารูปท่านก็เอามือขยุ่มหัวพระเทระผู้ใหญ่ทนพราะหน้าตาจะเป็นเนี่ยโอ้เออเป็นไงสมณเนนหน้าตายิ้มริมน่ารักวะเออทำไมมาจากไหนเออไปองค์นั้นขยุ่มองค์นี้นขยุ่มหัวแต่พระเทระเนี่กรเชอยเพราะท่านเป็นไม่มีความโกรธโลภหลงอะไรถ้าเป็นพระหรันได้ทนนี แต่ร่างกายท่านเล็กเฉยๆแต่ใจของท่านใหญ่พราะดานผ่านไปเสร็จแล้วพระสงฆ์เหล่านั้นก็ขึ้นไปกราบพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ก็ถามว่าดูก่อนสงฆ์พวกเธอเห็นไหมพระเถระเดินผ่านลงไปสักครู่นี้พระสงฆ์เหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เห็นพระเจ้าค่ะไม่เห็นยังไงเกินส่วนทางเห็นแต่สัมมาเนรพระเจ้าค่ะนั่นแหละพระเทระนั่นแหะเป็นพี่ชายใหญ่ของพวกท่านนะเป็นผู้เลิศ กว่าภิกษุน์ทั้งหลายเป็นผู้เสียงไพ่เราะในการแสดงธรรมนี่แหละเป็นพี่ชายของพวกท่านพระสงฆ์เหล่านั้นก็โอ้ทําไมท่านจึงเป็นพระเถระเป็นผู้มินมีบุญหนักศักย์ใหญ่ขนาดนั้นทําไมร่างกายท่านจึงเล็กพระเจ้าขา่าพระโอบอกกรรมกรรมกรรมของท่านกรรมอะไรหนอพระเจ้าขา่าที่พระเถระจึงร่างเตี้ยอย่างนั้น เอาตั้งใจฟังพระองค์กฤตสาทกในอดีตในอดีตชาติของท่านพระกุณ ท, เทะเถระเนี่ยนะในอดีตชาติสมัยก่อนในาศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจฉปะคือในพัตตะกับนี้จะมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์กกุสันโธ โ, โกณคัมโนกัจโปโคตโมอริยเมตโยนคือพระเจ้าห้าพระองค์กกุสันโธ โกนคมาโนกัตสโปเนี k k uno, apo, 네่ยองที e, ่ก exactly like, ัจสโปนี่นะพระกุทะเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัตสโปแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่โคตโมแต่มีองค์ต่อไปพระศรีอาร์เนี่ว่าอริยะเมตตโยที่ยังไม่อุบัติขึ้นในโลกแต่แต่พระกุณทะนี่เกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัตสปะแต่นี้เมื่อพระพุทธเจ้ากัตสปะปรินิพานเหมือนกันนี่แหละเหมือนลุงตาแตงอ่อนของเรานี่ ปริณิพานเรีย ว, ว่าตายมรณาภาพลงไปเนี่ยแต่นี้คนทั้งหลายเมื่อไปชุมเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ถามว่าเราจะสร้างพระเจดีย์บูชาแบบูชาเรีย ว, ว่าบรรจุพระป ร, ะรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ากัตปะแบบเราจะสร้างใหญ่ขนาดไหนแต่นี้ก็ไปชุมกันไอ้พวกที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเขาก็ว่าสร้าง ให้ใหญ่สูงเท่านั้นโยนอดกว้างเท่านั้นโยอแต่ละแต่ละด้านเท่ากัยศนึ่งก็สี่ร้เซนใช่ไหมล่ะทั้งเศรษฐีทั้งกษัตริย์เขามีเงินเขาก็บอกว่าสร้างได้สร้างเท่านั้นโยอดแต่มีโยมคนหนึ่งเป็นที่ยอมรับของคู่คนในยุคสมัยนั้นเป็นผู้มีวาทะเป็นผู้มีมีปฏิภาณเป็นผู้มีสติปัญญากว่าใครอื่น เวลาเวลาคนนี้พูดคือมาเนี่ยคนทั้งหลายสยบเลยฟังมีเหตุมีผลแต่องแต่คนคนนี้บอกว่าโ อ, อ้อข้าพระเจ้าไม่เห็นด้วยสร้างใหญ่ๆเพราะเหตุไรในเมื่อต่อไปภายภาคหน้าถ้าหากว่าจำรูดทุดโสมพระเจดีส์จำริดไข่จะเป็นคนซ่อมคนไม่มีศรัทธาอย่างพวกเราทุกวันนี้นะเพราะต่อไปภายภาคหน้าผมว่าทำเล็กๆดูแลง่าย สร้างเสร็จเร็วๆเออก็ดีทำความสะอาดก็ด้งา่ายเพราะเห็นอะไรเพราะมันเล็กไอนนกท้ทั้งพวกถ้ำท่านทั้งหลายคํำใหญ่ๆเออตีนกว้างด้านละหนึ่งโยดโยดถึงส0่ร้อยเซนสูงือเท่านั้นโยดเออก็เป็นสูงอีกต่างหากแล้วต่อไปภายภาคหน้าะจะรักษาอย่างไรนคนนี้ก็พูดขึ้นมาและจะสร้างเสร็จได้ไหมนั่นน และจะมีทรัพย์สมบัติพอไหมเนี่ยอันนี้คือเขาอ้างเหตุผลเข้ามาทั้งนี้คนจนกับคนรวยใช่ไหมล่ะคนจนเนี่ยมันมันมากกว่าคนรวยนะไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนยุคนี้ก็เถอะนะคนรวยเนี่ยมันน้อยกว่าคนจนทีนี้เอาลงมติกันลงมติกันหรือซิว่าใครจะเอาใหญ่และใครจะเอาเล็กคนที่สุดก็เลยออกมาลงมติกัน ก็สู้คนที่คนที่ออกมาในี่เล็กเนี่ยไม่ได้ฝ่ายผู้ออกเล็กไม่ ไ, มได้เพราะคนจนเนี่ยมันมากกว่าคนรวยก็เลยออกมาคนชนะก็เลยคนนี้ก็อ้าว เ, เมื่ อ, เ, อเราเชนะแล้วกอ็ออกแบบอย่างนี้ก็เลยออกแบบพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้ากัดสปานะ พอออกมาสร้างเสร็จเรียบร้อยอคนทั้งหลายก่อนเนี่ยผู้เห็นด้วยไม่ผู้ไม่เห็นด้วยเพราะคนรวยเขาโ อ, อน่าจะสร้างให้ใหญ่สวยงามอันนี้ทําเล็กๆเกนาะเขาก็ตำหนิแต่พวกนี้ก็พอใจรักษาง่ายดูแลง่ายลักษณะอย่างนั้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระกุลทพัทย า, าเนี่ยเกิดมาพบายชาตาิใดตัวเตี้ยตลอดเลยสินี้เพเห็นอะไร เพราะว่าเขาจะสร้างใหญ่ตัวเองไปตัดไปตัดรอนให้เล็กลงฮะเพราะนั้นการสร้างพระเจดีของพระพุทธเจ้านยุคสมัยนั้นนี่แลนะพระกุณท่าเกิดมาพบไราชาติใดก็เลยตัวเตี้ยอยู่ตลอดเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะถ้าเขาจะทำอะไรที่จะสวยงามหรูหราโอ้อาบูชาพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วกว็พวกเราต้องฟังเสร็จไหมละ่ะ ถ้าท่านเสร็จก็ไม่ว่ากันแต่ท่านจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ท่านต้องคิดดูให้ดีนะถ้าทําเสร็จไม่เสร็จค้างเติ่งอยู่นั่นมันขายขี้หน้ามันขายขี้หน้าพวกเรานะมันขายขี้หน้าสิทธิ์ยาทุกสิทธิ์นะถ้ า, ท, าท่านจะทําอะไรตรงท่านต้องคิดให้ดีคิดให้ดีซะก่อนค่อยทําถ้าบักเช่นคิดไม่ดีมีแต่ใจเว่อร์เฉยๆพอทําเสร็จแล้วก็ตัวเองก็ไม่หาเงินมีได้คิดอยากจะให้ทําใหญ่ แต่ตัวเองไม่มีเงินออกกับเขาเลยอันนี้มันน่าคิดนะเพราะฉะนั้นผู้ที่คิดก็ต้องวางแผนว่าเสร็จแน่เพราะเสร็จอยู่แล้วอยา่างเศรษฐีกษัตริย์กันแน่ในที่จะสร้างเจดีย์พระพุทธเจ้ากจาจปาเขาบอกว่าไม่เป็นไรเสร็จได้เอาเถอะใหญ่ขนาดไหนก็เสร็จได้เพราะเรามีทุนมีเงินแต่คนโจรนี่บอกโอ้ยถึงจะสร้างเสร็จก็เถอะรักษายากดูแลยาก บูรณะยากเอาเล็กๆนี่แหละดูแลง่ายทุกอย่างผลที่สุดนั่นแหละบาปกรรมกม็เลยมาให้ผลตัวเอง เ, อเกิดมาพบไดชาติใดก็เตี้ยอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะทายาิโยมลูกๆ ล, ลูกหลานทุกๆคนนะนั้นพวกเราควรจะเชิดชูบูชาพระคุณของหลวงตาของพวกเราในวันนี้หลวงพ่อได้ กล่าวสังเวทนิยกถาแล้ว่ากล่าวเครื่องบูชาพระคุณของหลวงตาของพวกเราที่ว่าปูชาจะปูชนียาหนังบูชาบุคคลที่ควรบูชาหลวงตาแต่งอ่อนของพวกเราเป็นบุคคลที่ควรบูชาเป็นที่ควรเป็นที่เคารพสักการะ ของสิทธิาณุสิทธิ์ทั้งหลายแต่ถึงยังไงหลวงพ่อขอเตือนพวกเราท่านทั้งหลายในพระบาลีที่ว่าขยัวยธรรมมาสังขาราอัปปมาเดนะซัมปาเดธาติขยัวยธรรมมาสังขาราอันนี้คือพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธองค์จะปรินิพพานในวันเดือนหกเพ็ญพระพุทธองค์ได้สั่งเสียสิทธิาณุสิทธิ์พระสงฆ์ที่นั่ง ร้อมรอบก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานพราะพระพองค์ได้สั่งเสียว่าไคยะวยธรรมมาสั่งฆาราสังขารทั้งหลายคือร่างกายสังขารของเราเนี่ยร่างกายของเราเป็นของไม่เที่ยงเนะ้ออีกสักวันหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนละ่ะจะต้องล้มหายตายจากโลกนี้ไปสู่ดินน้ำลมไฟตายแน่ร่างกายสังขาร แต่ถึงยังไงก่อนที่พวกท่านจะถึงจุดจบจุดนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมโดยความไม่ประมาเทเถิดประโยชน์ตนก็คือรักษาอย่าให้อยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจใคล้ายๆกับว่าพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาแล้ว ได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราและก็พร้อมกันอย่าพวกเราท่านทั้งหลายก็ให้ช่วยเหลือชุมชนสังคมที่อันไหนที่จะช่วยเหลือชุมชนสังคมได้พวกเราก็อย่าดูดายให้ช่วยเหลือชุมชนสังคมประโยชน์ต้นก็จะให้ขาดตกปกพ้องประโยชน์คนอื่น ที่เราจะช่วยหรือชุมชนสังคมก็อย่าให้ขาดตกบกพรปป่องอันนี้ก็คือเป็นคำสั่งเป็นคำสั่งและเป็นคาสอนของพระพุทธเจา้าและก็พร้อมกันพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสหรือวอกกล่าวแก่พระสาวกหรือลูกศิษย์ของพระองค์ในครั้งกระโน้นพระพองค์บอกว่าดูก่อนท่านอีกสักวันหนึ่งท่านจะเดินท่านจะได้เดินทางไกลนะ ท่านจะได้เดินทางไกลท่านได้เตรียมเสบียงไว้หล้อย่าะเสบียงเดินทางที่ท่านจะเดินต่อไปภายภาคหน้าท่านได้เตรียมไว้หล้อยัางถ้าหากว่าท่านไม่ได้เตรียมไว้ท่านได้เตรียมไว้นะ่ถ้าว่าท่านไม่เตรียมไว้ท่านจะได้รับความลำบากในการเดินทางของท่านอันนี้คือพระองค์ท่านเปรียบเทียบว่าท่านจะต้องตายนะเมื่อตายไปแล้วท่านได้เตรียมบุญได้เตรียมบุญกุศลไว้ได้ ไว้ในเป็นเครื่องอุ่นใจและอย่างได้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของท่านและอย่างได้เตรียมสเสบียงเดินทางคือเงินหรือบุญไว้ในไว้ในตัวของท่านหรืออย่างเพราะท่านจะได้เดินทางไกลอีกสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราพวกทุกท่านนะจะได้เดินทางไกลเพราะว่าพวกพวกเราทุวกวันนี้รอวีซ่ากันอยู่นะเอพอพราะเราเกิดขึ้นมายมมาโทษเขาก็เขียนวีซ่าให้กับพวกเรา แต่ลวงตาของเราเนี่ท่านได้รับวีซ่าแล้วท่านก็เดินทางไปต่างประเทศอีกสักวันหนึ่งต่อไปภายภาคหน้ า, าพวกเรากคงจะยกสีรีระของท่านาขึ้นไปไปชมเพลินนี่แหละตั ว, ต, วตัวดวงใจของท่านนั่นแหะไปสู่ประโลกภายภาคหน้าแต่ลวงตาของเราเนี่ท่านประกอบคุณงามความดีไม่ท่านไม่ได้สงสัยตลอดชีวิตของท่าน ตลอดชีวิตทั้งชีวิตของท่านท่านประกอบคุณงามความดีตลอดท่านตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมาตลอดแต่เมื่อท่านจากไปท่านก็มั่นใจว่าบุญกุศลของท่านเพียงพอแต่พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นลูกหลานของหลวงตาของพวกเราพวกเราท่านทั้งหลายได้คิดเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยอย่างเพราะนั้นอีกสักวันหนึ่งเมื่อวีซ่ามาถึงน่ะแต่พวกเราจะได้เดินทางต่างประเทศ ในเมื่อเราไปต่างประเทศแล้วนะเราจะมีเงินไหมมีเงินติดกระเป๋าไหมมีสิ่งของอะไรที่จะเดินทางได้รับความสะดวกสบายไหมพรานเบ็ตสิ่งต่งนี้ขอฝขากไว้กับพวกเราทุกทุกท่านพวกเราจะต้องเดินทางแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นแต่ทางนี้ทางนั้นไม่ใช่เอาความตายมาคู่กันเพียงแต่ซีชี้ให้ดูว่า พวกเราต้องเป็นอย่างนั้นจริงจริงไหมถ้าหลวงพ่อพูดเสร็จแล้วหลวงพ่อก็จะถามพวกท่านทั้งหลายว่าจริงไหมพวกเราท่านท่านทั้งหลายถึงจะปฏิเสธยังไงพวกท่านทั้งหลายก็ต้องยอมรับว่าใช่คงคงไม่มีใครที่จะหลีกเลีหนีพ้นไปได้แต่ตายแล้วสูญแล้วตายแล้วเกิดอพวกท่านทั้งหลายได้พิสูจน์ทุอย่างแต่พวกเราท่านหลายก็ได้ยินโอ้ตายแล้วไม่เห็นใครมาบอกอย่าไปคิดอย่างนั้น ถ้าเรานั่งสมาธิจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบจิตใจรวมเป็นหนึ่งเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายของเรา เ, เหมือนกับรถใจของเรา เ, เหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถมิใช่อันหนึ่งอันเดียวกันรถกันนี้จะไปได้ต้องอาศัยคนขับนี่แหละหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ใใหให้้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้เห็นเห็นเป็นรูปธรรมเพราะว่าร่างกายของเรา เ, เหมือนกับรถ ใจของเราเหมือนกับคนขับรถแต่พระพุทธศาสนาแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายท่านจึงยกเป็นพระบาลีว่ามโนปุ่พังขมาธรรมามโนเศรษามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจถ้าจะเปรียบเทียบให้ฟังอีกอย่างหนึ่งก็ว่ารถคันนี้โซเฟอร์เป็นใหญ่ โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสัมเป็จแล้วด้วยโซเฟอร์ถ้าโซเฟอร์ขึ้นไปขับรถคันนี้โซเฟอร์เมารถคันนี้ก็เมาไปด้วยลงข้างถนนถ้าโซเฟอร์โมโหโกธาเหยียบคันแรกเอ่อเหยียบคู่เหยียบคนเยียบสัตว์เออก็ได้ไม่ไรเพราะโซเฟอร์ไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมแต่ถ้าหากว่าโซเฟอร์มีมารยาทที่ดีมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดี เมื่อขับรถคันนี้รถคันนี้กับสุภาพเรียบร้อยนี่คงเหมือนกันท่านจึงให้ความสําคัญเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าถ้าว่าพวกเราที่มาในวันนี้กมาอบรมทางด้านจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมถ้าว่าพวกเราไม่ได้รับการอบรมทางจิตทางใจแล้วใจไม่ได้รับความอบรมโฟเฟอร์ไม่ได้รับความอบรม ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่ไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรนั่นแหละโซเฟอร์เกเลรทีนี่รถคันนี้ก็เกเรไปด้วยถ้าเท่าโซเฟอร์อบรมมีนิสัยดีใจของเราดีร่างกายก็ดีไปด้วยเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับคณะสัตยาญาติโยมทุกทุกท่านว่าในโลกล้วนอนันยิ่งร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันน่ง พวกเราก็จะต้องแยกย้ายกันคนไปคนลทิศละทางแต่บุญกุศลที่พวกเราได้เตรียมไว้ได้อย่างอีกสักวันหนึ่งวีซ่ามาถึงพวกเราควรจัดเตรียมบุญกุศลไว้และก็พร้อมกันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าร่างกายของเราเและก็ใจของเราเนี่ยมันไม่สูญนาตายแล้วเกิดอีกอย่างองหลวงตามหาปัวท่านย้ำแล้วย้ำอีกบอกว่า ร่างกายมีป่าช้าแต่ใจของเราเนี่ยไม่มีป่าช้านะใจของเราไม่มีป่าช้าแต่ใจแต่ร่างกายมีป่าช้าเผ า, ากันฝังกันเอาไปเข้าหงสุยนะแต่ร่างกายแต่ใจของเราเนี่ยไม่มีใจออกจากร่างแล้วถ้าใจเป็นพระอริยบุคคลก็ไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมถ้าใจชำระ บ, บริสุทธิ์แล้วใจเข้าสู่นิพพาน ตาใจของเรายังไม่ถึงขนาดนั้นยังมีอวิชชาอยู่ก็ไปเกิดเป็นพรหมพรหมสุทธวาฒน์ชั้นอวิหาอัตปาสูสสาสุเสกนิธาถ้าว่าต่ํากว่านั้นลงมาเป็นพระโสดาบันก็เป็นผู้ไม่ตกต่ํำแล้วก็หนึ่งชาติ3มชาติเจชาติก็ได้จะได้สําเร็จแต่ถ้าว่าต่ํากว่าพระโสดาบันลงมาแล้วไม่แน่นอนอพร้อมที่จะไปเกิดเป็นหมูหมากากรายเป็นสัตว์ สาลาสิงได้ทั้งนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะให้ประกอบคุณงามความดีให้ศึกษาเพราะวิชาในพุทธศาสนาเนะี่ยอยจะให้พวกเราศึกษาถ้าพวกเราศึกษาเรียนรู้แล้วพวกเราจะรู้ในวิถีทางของชีวิตหรือวิถีวิถีทางทางด้านจิตใจของพวกเราเพราะในหลักธรรมคําสอนพระพุทธองค์เน้นหนักเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายนะเนาะเรื่องของใจ เรื่องของใจมโนปุพังนี่แหละเป็นสำคัญดังนั้นการกล่าวสังเวทนิยกถาแล้ว ก, ก, การกาการกล่าวย้ำเตือนให้พวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระีรัตนัไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองด้วยบุญบุมีของหลวงตาของพวกเรา ขอให้มาคุ้มครองสิทธิอนุสิทธิอย่างพวกเราท่านทั้งหลายขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกๆุกท่านด้วยเทอญ